พระจริยคุณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงเพื่อประโยชน์แก่การทรงเคราะห์หมู่เวเนยศัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาอ่อนคือผู้ที่ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาไม่รู้จักคุณของพระองค์เขาจะเลื่อมใสในพระองค์ได้อย่างไรเมื่อเขาเหล่านั้นไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเขาก็มีความกระด้าง มีความเย่อหยิ่งโดยเฉพาะหมู่พระญาทั้งหลายเพราะว่าจริยาปิดกนั้นพระพุทธเจ้าแสดงที่เมืองก บ, บิลพัทซึ่งหมู่พระญาตทั้งหลายนี้เต็มไปด้วยมานะมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับลูกหลานของพระองค์ผู้ที่อยู่ในวัยปูนพ่อปูนอาปูนนาเป็นต้นเขาก็นึกว่าเป็นเป็นลูกเป็นหลานส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่านิดหน่อยก็ถือว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นน้อง าการที่จะนึกเคารพยำเกรงก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงยมะกะปาฏิหารในรมิตรรัตนจงกรมเป็นต้นจนถึงพระพุทธเจ้านั้นขณะที่พระองค์อยู่บนรัตนจงกรมภาษาริบุตรเทระก็มาทูลถามถึงพระปุพพจริยาคุณกับพระพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าก็แสดงทั้งพระปุพพจริยาคุณและพระพุทธวงศ์ ปุพหะเจริยาคุณก็คือเจริยาปิดกที่พระองค์ทรงสแสดงโดยย่อพอแต่เป็นใจความเพื่อให้เกิดศรัทธาในพระองค์ท่านว่าพระองค์นั้นได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บรรลุเพราะชาติตระกูลเป็นต้นแต่พระองค์นั้นบรรลุเพราะบุญบารมีที่พระองค์ได้ทรงสังสมมาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกัป บุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้เป็นเครื่องเกื้อกูลนะเป็นเครื่องอุดหนุนสนับสนุนให้อริยมรของพระองค์นั้นเกิดขึ้นได้เป็นฐานรองรับสัพพัญยุตยานเป็นอย่างดีรองรับอาสาธรรณญาณรองรับพุทธญาณทั้งหลายในบรรดาปุพภะเจริาคุณเนี่ยนะท่านก็ยกมาสิบบารมีก็คือฐาน เสนเนคขมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีเหล่านี้ถ้าทําแบบธรรมดาเรียกว่าบารมีถ้ายิ่งกว่านี้ยิ่งยวดขึ้นไปถึงกสละเลือดเนื้ออันนี้ก็เป็นอุป ป, ปารมีถ้าถึงกับสละชีวิตก็เป็นปรมาทบารมีการที่พระองค์ทําอย่างนี้ทั้งหมดก็เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นเครื่องบ่มการ ตรัสรู้ทำเพื่อการตรัสรู้อันการตรัสรู้ของพระองค์นั้นจึงอย่างที่พระองค์บอกว่าพระองค์ได้มาโดยความยากโดยความลําบากเนี่ยนะด้วยความเหน็ดเหนื่อยตอนที่พระองค์ปฏิบัติเนี่ยนะเป็นทุกขาปฏิปทาปฏิบัติด้วยคราบเลือดคราบเนื้อคราบน้ําตาสละเลือดเนื้อเป็นต้นเนี่ยนะกว่าจะได้โพธิญาณเหล่านั้นมาทําด้วยความภาคเพียนพยายามคือการสร้างบารมีนี่ยนะถึงจะทําให้มันมากขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่ได้การละเวลาอันสมควรก็บรรลุไม่ได้เนื้การทำของพระองค์เนี่ยทำชนิดที่เรียกว่ายิ่งยวดไอ้ยิ่งยวดนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วแล้วยาวนานด้วยนี่สิะยิ่งยวดยาวนานแล้วยาวนานบางคนทำนานแต่จริงแต่ทำแบบทำเล่นๆอันนี้ไม่เล่นเอาจริงตลอดเยนะไม่มีเวลาเล่นมีแต่เวลาเอาจริงเอาจังทุกอย่างทำเสมอด้วยชีวิตอุทิศชีวิตให้นะ ที่สุดของการกระทำทุกอย่างเนี่ยลงที่ชีวิตแต่ไม่ยอมสละทิ้งกุศลคุณงามความดีเนี่ยนกะุศลคุณงามความดีที่เรียกว่าธรรมะสมท า, านที่พระองค์ได้สมาทานไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมมะเป็นต้นบารมีที่เป็นพุทธกรกะธรรมธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าโดยหัวข้อใหญ่ๆเราก็ฟังมาสองกลุ่มคือทานกับศีล ผู้ที่ให้ทานมากผู้ที่รักษาศีลอย่างดีโดยทั่วๆวไปแล้วเป็นยังไงเขาเหล่านั้นก็น้อมไปเพื่อเกิดในพบใหม่เพราะเมื่อเกิดในพบใหม่ผลแห่งศีนทําให้เขาเกิดในสุขติผลแห่งศีนเท่าคำทำให้เขามีอายุยืนยาวนานผลแห่งศีนทําให้เขาผลแห่งการให้ทานในอดีตทําให้เขามั่งมีโภคะผลแห่งศีนข้อที่สองทำให้เขาไม่เสื่อมทรัพย์ ผลแห่งศีลของที่สเป็นที่รักใคร่ของมหาชนผลแห่งศีลข้อที่สมีแต่คนกล่าววาจาที่ไพเราะเป็นต้นด้วยผลของศีลข้อที่หก็ประกอบไปด้วยสติและปัญญาถือว่าเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัตินั้นมนุษย์สมบัติกับสวรรคสมบัตินั้นเกิดได้ไม่ยากสําหรับผู้ที่ให้ทานเป็นอย่างดีและรักษาศีลมาอย่างบริบูรณ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเลยแต่พระองค์ท่าน เมื่อได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติท่านมีอัธยาศัยที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวนะถึงท่านจะมีสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็จริงแต่อัธยาศัยของท่านน้อมไปเพื่อการออกท่านมองเห็นว่าพบทั้งสเหมือนกับตารางเหมือนกับคุกเหมือนกันเพราะในคุกเนี่ยมันเป็นยังไงถึงจะใส่โซ่ทองล่ามไว้ก็กคือคุกอยู่ดี นะเป็นคุกพิเศษขังด้วยเรียกว่าอะไรนะขังด้วยห้องทองคํามันก็คือคุกนะถึงจะล่ามด้วยโซ่ทองมันก็คือคุกถึงจะใช้กรงทองมันก็คือคุกนะเป็นที่เรียกว่าอยู่ในคุกมันก็มีหลายตําแหน่งในชะ่ตำแหน่งนักโทษระดับล่างไอ้นักโทษเหมือนกันเนะี่แหละแต่เป็นลักษณะว่าดูแลนักโทษ ด, ด้วยกันนักโทษ ด, ดูแลในโทษแต่สรุปว่าชีวิตก็คือชีวิตในในคุก เต็มไปด้วยชาติชาราและมรณะเป็นต้นนะนีมันก่อนอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งเขามีกระเคยเข้าคุกแล้วก็ไปดูแลคนคุกเขาเหมนไปเข้าคุกแล้วตัวเองก็ต้องไปดูแลคนคุกคนที่ป่วยอยู่ในคุกคนที่เจ็บอยู่ในคุกแล้วก็บางคนก็ตายอยู่คามือที่คุกเหมือนกันนะก็ดูแลเข้าคุกอยู่6ปีด้วยกันอันนี้เรื่องจริงนะเพิ่งออกจากคุกไม่นานนี้เท่าไหร่ มันก็ชีวิตในคุกอันนี้ถ้าหากว่าเรามองแล้วพวกเราทั้งหลายก็คืออยู่ในคุกคุกคือสังวาสสังสารวัสคุกคือวัตตะเป็นคุกที่ยิ่งใหญ่นักแลถึงจะอยู่ในฐานะใดตำแหน่งใดก็คือคนคุกเหมือนกัคนที่อยู่ในคุกเป็นนักโทษประหารกันทุกคนเลยนะมาจากใครนักโทษประหารบางคนก็ถูกเคี่ยนบ่อยนะเดี๋ยวก็เคี่ยนที่หัวก็ปวดหัวมึนหัวไปหมดเลยนะบางคนก็ถูกตีที่เขา่าสักเจ็บเข่าหมด บางคนก็ถูกตีที่หลังบางคนก็ถูกคว้านท้องบางคนก็ต้องผูกผ่าอกเนีนะหมอคงเคยเห็นนะถูกผ่าอกแบบเป็นๆเลยนะเสร็จแล้วก็เย็บเข้าไปใหม่ใช่ไก็คนคุกถูกหอกทิ่มหอกแทงบางคนก็ถูกหอกน้อยๆแทงถูกแทงเข็มฉีดยาอย่างเก็ถูกหอกน้อยๆแต่หอกนั้นมันขยายใหญ่แต่มันก็คือหอกวันยังค่ําถูกตัดถูกต้อนถูกสารพัดอยู่ในนั้นตามภาษาของคนที่อยู่ใน คุกนะจะเป็นหัวหน้าคนคุกหรือจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะมันก็คืออยู่ในคุกนั่นแหละจะใช้โซ่เหล็กหรือโซ่ทองมันก็คือโซ่ของคนที่อยู่ในคุกเนี่ยนะฟันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายพระองค์บอกว่าผู้ที่อยู่ในการมาพบรูปประพบและอารมประพบทั้งหลายก็คือคนคุกดีๆนี่เองฟันอัธยาศัยท่านบอกว่าถ้าท่านปรารถนาโพธิญาณถ้าท่านปรารถนาการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านต้องมองเห็นพบสามว่าคือคุกคือตรารังเนี่ยนะแล้วมีใจไม่ยินดีอยู่ตลอดเวลาถามว่านักโทษที่ถูกทรมานแบบเหี้ยมโหดถูกเขี่ยนถูกตีถูกประหารแล้วประหารเล่าแล้วเห็นทางที่จะออกเนี่ยนะถามว่าเขายินดีที่จะอยู่ไหมรู้ด้วยนะว่าทางออกคืออะไรชั้นใดก็ดีท่านถ้าหากว่าท่านปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องมีอัธยาศัยอย่างนั้น มองเห็นพบสามเหมือนกับคุกกับตารางถึงจะอยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็คือคนคุกดีๆนี่แหละเดี๋ยวก็ถูกลากออกไปประหารเนี่ยนะถูกชาติชรา ม, มรณะถูกเผากันเกลี้ยงไปหมดน่าสังเวชใจนะถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับสงคราม เ, นะเกี่ยวกับสงครามบางช่วงนี่มันตายเกลื่อนเลยนะห้าพันนะตายทีละ 5,000 ตายทีละมื่น สมัยก่อนเนี่ยตายทีหลายหมื่นสมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่ตายด้วยสงครามแต่มันตายด้วยน้ำตายด้วยลมบ้างตายด้วยไฟบ้างตายด้วยอุบัติเหตุบ้างแต่ว่าตายชนิดการตายหมู่ตายมากก็ไม่ได้ลดลงอะไรสรุปว่าก็มีการตายเต็มไปด้วยการตายมันก็คือนักโทษแต่ว่าจะตายในสภาพไหนตายแบบประหารณส่วนใดๆผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการตรัสรู้จึงมองว่านี่คือคุก นี่คือคุกนี่คือตารางใจน้อมไปเพื่อจะออกโดยส่วนเดียวเมื่อท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการออกบวชหมายคาะว่าอย่างที่เรียกว่าเนคข ม, มะนนะเน่คขมะคืออะไรเนคข ม, มะเป็นชื่อของพระนิพพานถ้าสมบูรณ์สูงสุดตามอัตถกาถาจุลโพธิเจริยาที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยนะเนคข ม, มะคือพระนิพพานแล้วอุบายที่จะทําให้บรรลุนิพพานคืออะไรก็คือ สมถะและวิปัสสนาสมถะคืออะไรสมถะก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิวิปัสสนาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะทีนี้แล้วอริยมรรคเหล่านั้นเนี่ยนะคือสมถะวิปัสสนาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าอาศัยการบรนประชาอาศัยการบวช การบวชนี้เป็นครูเอ่อเป็นคุณเครื่องช่วยให้เจริญสัมมาทิฏฐิการบวชช่วยทําให้สามารถมีเวลาที่จะเจริญสัมมาสังกัปปะได้มากฉั้นคนที่เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้มากก็เท่ากับเจริญวิปัสนาการบวชช่วยให้รักษาสัมมาวาจาเนะรักษาศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะการบวช เป็นเพศที่อยู่ใกล้ต่อความเพียรที่จะ ก, กําจัดอกุศลวิตกเป็นต้นการบวชทําให้ระลึกถึงโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าการบวชเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามคุณธรรมที่กล่าวใจก็ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นก็ช่วยเกื้อกูลให้แก่สมะแก่วิปัสนาวิปัสสนาก็เกื้อกูลให้เจริญสมถะสมถะวิปัสสนาก็สลับคละเคล้ากันไปแต่โดยรวมๆสรุป การบวชเป็นคุณเครื่องช่วยบ่มศีลบ่มสมถะและวิปัสนาพันธเพศนักบวชนั้นจึงเกื้อกูลต่อการอบรมทั้งศีลสมถะและวิปัสนาเป็นอย่างมากพันธท่านก็เห็นว่าเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุเนกข ม, มะที่สูงสุดก็คือการบวชนี่นะการบวชการบวชเป็นเหตุให้เจริญสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาที่เจริญถูกต้องสมบูรณ์ก็อย่างลงสู่อมะตะนิพพาน ทีนี้เมื่อพระนิพพานเนี่ยนะที่เป็นเนคข ม, มะที่สูงสุดอาศัยสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาโดยอาศัยการบวชท่านจึงเห็นคุณของการบวชพญทุกภพทุกชาติจึงน้อมไปเพื่อการบวชแม้กระทั่งชาติที่เป็นพญ น, นาก็มารักษาอุโบสถอุโบสถที่ท่านออกมารักษาก็คือการบวชชั่วคราวที่เรียกว่าบวชเนคข ม, มะเลยนะมาบวชรักษาอุโบสถศีนเป็นครั้งคราว ตามตามสมควรการและสมัยท่านก็ออกไปรักษาศีลไปบำเพ็ญศีลทุกๆ15้าวันทุกๆ15วันว น, นั่นก็เป็นเนคขมมะบารมีของพระองค์ท่านทีนี้บางชาติก็เนคขมมะน้อยบางชาติก็เนคขมมะมากแต่หลายๆชาติโดยมากก็เป็นเนคขมมะคือบวชตลอดชีวิตเนี่ยนะแต่ก็มีบางชาติที่สุขาลาเพศไปเป็นฤาษีที่สุขาลาเพศก็มีเพราะะฉนั้นคําว่าบวชในทีนี้ก็คือจะบวช ในพระพุทธศาสนาหรือจะบวชในลัทธิภายนอกศาสนาแต่การบวชของท่านทุกอย่างเพื่ออบรมโพธิญาณเพราะอะไรเพราะการบวชถึงนอกศาสนาก็คือการเจริญอภิน ญ, ญาห้าสมาบัติ8นั้นก็คือการเจริญสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิโดยพื้นฐานมีกรรมสกตาเป็นอย่างดีก็เป็นการอบรมท่านคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยบ่มโพธิญาณทั้งหมด ขอให้ได้เป็นการบวชจะรับที่ใดศาสนาใดจะเป็นเดียรถีนิครนศาสนาไหนก็บวชหมดขอให้ได้ประพฤติชอบอย่างเดียวเป็นการบวชที่ปฏิบัติไม่ผิดเป็นการบวชที่ปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในอุโบสถศีลเนี่ยนะเพราะว่ารัที่ภายนอกนี่อย่างเก่งก็คือบวชแล้วรักษาอุโบสถศีลได้แต่จะมาเป็นปาติโมฆขสังวรแบบพระพิสุในพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิสัยเพราะว่า ปาติโมคสังวรเป็นพุทธวิสัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมันแม้กระทั่งสรุปว่าทุกชาติเนี่ยนะถึงช่านจะผลของการให้ทานผลแห่งการรักษาศีลทําให้เกิดในมนุษย์สมบัติหรือได้สวรรค์สมบัติแต่โดยเฉพาะพู้ชาติที่เป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยความเป็นมนุษย์อัธยาศัยมีอยู่อันเดียวคือการน้อมไปเพื่อการบวชสรุปว่ามีเรื่องมีราวเล็กๆน้อยๆจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เป็นข้ออ้างเพื่อบวชหมดเนี่ยนั่นจะมีข้ออ้างจนได้บวชเหา ง, งันนแต่มีข้ออ้างมีเหตุผลอธิบายสรุปว่าบวชอย่างเช่นชาตินี้ก็เหมือนกันชาติยุทธัญชยะจริยา